พอความสุขความเจริญจุงมีแดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนอประสูตรในสังยุตติกายก็เสนอประสูตรแรกคือโอคะตรนณสูตรสูตรที่ว่าด้วยการข้ามโอคะเป็นคำถามของเทวดามากราบทูลถามพระพุทธเจ้า แล้ว อ, อย่างที่บอกให้ฟังในวันก่อนว่าการรับสั่งครั้งแรกนั้นเป็นค่อนข้างเป็นปริศนาเทวดาวฟังเองก็ไม่เข้าใจแล้วก็ขอให้ผู้เจ้าส่งอธิบายรดยผู้เจ้ารับสั่งว่าพระองค์ไม่หยุดไม่พยายามจึงข้ามโอค่ะได้ คือตามปกติการตอบคำถามในแนวเป็นปริศนาอย่างนี้ไม่ค่อยตอบเท่าไรหรอกเว้นไว้แต่ต้องการจะกำราบพฤติกรรมของคนบางคนจึงมาด้วยมานะแล้วก็ค่อนไปทางดูมินนะแต่ามาในลักษณะทั่ ว, วไปเนี่ยก็จะรับสั่งตอบแบบง่ายๆเป็นการอารมณ์ตามพื้น จิตอัตยาไสยของผู้ฟังเพราะเราเห็นว่าธรรมเทศนาที่พระเจ้าส่งแสดงมันจึงมีอยู่สองแนวแนวหนึ่งก็เรียกว่านิกหามุขเทศนาคือทรงกำราบก่อนก็แนวตัวนี้แนวประสูทธนี้คือเทศแบบกำราบก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าสรงใช้ในครั้งแรกนะกับพระัญรยควีเองก็สรงกำราบก่อน ท่านรู้เวลากระสปะก็ทรงกำราบก่อนปวกบริวารไปเจ้าพิมพิสารก็สรงกำราบก่อนหรือแม้แต่ไปเสด็จไปโปรดพระปริญาญเนี่ยก็ทรงกำราบซะก่กนอนเพราะท่านเรานิ่งเรานั้นก็ค่อนข้างอวดดีถือดี เ, อเก่งในกฎละทางกิดวิธีการตรงนี้ที่จริงได้รับสั่งตอบแกนายเกษี ซึ่งเป็นนายควานช้างฝึกช้างฝึกม้ามาก็เป็นที่ชื่นชมยกย่องของคนทั้งหลายว่าสามารถสูงมานกนเกศนเกศศรีก็ไปเฝ้าก็สนทนากาันพระเจ้ารับสั่งว่าเธอมีวิธีฝึกช้างฝึกม้าได้ยังไงเขาก็บอกว่ามีอยู่สองวิธี คือหยาบตามด้วยละเอียดหรือว่าละเอียดได้เลยหลวงพ่อเจ้ารับสั่งถามว่ามันมีบางไม้ที่มันมีบ้างตัวไอ่ยบางตัวไม้ที่เราฝึกไม่ได้เลยแกบอกว่าก็มีรับสั่งถามมาทํำยังไงกับตัวที่ฝึกไม่ได้ท่านก็บอกว่าคือฆาดชิ้งเสียเพราะว่ามันจะเสียชื่อเสียงของสํานักฝึกช้างฝึกมา้า ดังนั้นนายเกษีก็กลับทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระองค์ในฐานะที่ได้รับการยกย่องชื่นชมจากคนทั้งหลายว่าเป็นสารถีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่านี่พระองค์มีวิธีฝึกอย่างไรกระรับสั่งว่าก็เหมือนกันแหละคือ ย, ยามตามโดยละเอียดหรือว่าละเอียดได้เลย แล้วเธอก็กราบทูลถามว่ามีบ้านไหมที่ฝึกไม่ได้อ่ะมีคนบางคนที่ฝึกไม่ได้เจ้ารับสั่งว่าก็มีเขาก็กราบทูลถามมาแล้วก็ทํายังไงคนที่ฝึกไม่ได้อ่ะปุถจ้าก็บอกว่าฆ่าทิ้งเหมือนกันเขาก็สงสยัยว่าเอสมาณ์ฆ่าสัตว์ได้แหละปุถเจ้าทงใช้แ บ, บบโบหารอย่างเงี้ยเป็นเป็นลักษณะโบหารอย่างหนึ่ง คือค่าบางทีเนี่ยค่าพ่อค่าแม่เนี่ยก็มีนะฮะเป็นพระคาถาในพระธรรมบทค่าเยอะเลยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยชื่อนี้เป็นตัวแทนของกิเลสตัณหาทั้งหลายเพราะว่าคำสอนอุปสนตตนั้นที่สอนใ้ค่ามีอย่างเดียวคือคือค่ากิเลสกาย่ังเก่นไม่ได้แม้จะค่าทุกข์่าอะไรก็ต้องค่าที่กิเลสนะเพราะว่าทุกข์มันเป็นผล การสอนที่พูดให้ข้านะจะหนักไปจะพูดเรื่องกิเลสแต่ว่าเป็นโมหารที่ต้องการจะสื่อสารกับคนบางคนแลยภาษาที่เขาสามารถเข้าใจได้ง่ายผลคำค่าของรมก็คือไม่ฝึกคือไม่อบรมไม่สั่งสอนอะไรคือพูดกันไม่รู้เรื่องมันก็เลิกพูดกันก็ท่นนั้นเองก็วันก่อ น, นมี แต่การโทรทัศน์อะไรก็ไม่ทราบนะโทรโทรศัพท์มาสัมภาษณ์ถึงปัญหาความรุนแรงต่างๆภายในสังคมเลยก็บอกเขาให้ทราบว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นยุคของสื่อสารโทรคมมนาคมแล้วก็สื่อสารมวลชนก็ชอบเล่นงานเด็กที่ไม่ดีแต่ว่าจะไม่เา ย, ยกก้องชื่นชมเด็กที่ดี ข่ า, ขาเด็กที่ทำ ด, ดีเยอะนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เป็นข่าวมันกลายเป็นคลื่นกระทบฟังไปแต่ข่าวเด็กที่ทําไม่ดียกตัวอย่างเด็กผู้หญิงสองวัยที่เขาตบกันเนี่ยมาเอามาล้ะออกแล้วออกอีออกแล้วอีกอะแต่ทำๆซักๆเพราะว่าสื่อสารมวลชนเขาชอบอย่างนี้ข่าวพระทําดีเยอะวันๆเนี่ยนะฮกลุ่มเทเสียสละชีวิตไปเพื่อ โยสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นของท่านไม่เคยเป็นข่าวหรอกพข่าวพระไม่ดีสักองค์เลยพอเล่นข่าวทั้งบางทีทั้งเจ็ดแปดวันบางทีตั้งสิบห้าวั น, วนข่าวพระบางองค์เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แลมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็ประมาณสองปีนะเล่นกันอยู่เราดูแล้วใล้ายๆย้ใหญ่เรื่องมากแล้วก็บอกเขาว่า เออที่จริงเด็กเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกปัญหาสําคัญว่าเรามีโอกาสคุยเขาไหมพ่อแม่เนี่ยให้ความต้องกันแก่ลูกมากกว่าเงินทองหน่อยได้ไหมออครูบาอาจารย์ทุ่มเทจิตปัญญาณลงไปแล้วก็ซื่อทั้งหลายเนี่ยเราไปหยุดอะไรเขาไม่ได้แต่เราก็สร้างภูมิดานฐานให้ลูกหลานเราได้คิดได้พิจนนารณาได้ตัดสินได้เลือกเฟ้น สารต่างๆที่เธอจะรับเนี่ยมันก็ต้องถามตัวเองว่าได้ประโยชน์อะไรอย่างดูฟุตบอลเนี่ยก็มีการรายงานว่าช่วงของการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยการใช้ก๊วยคว้าเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้งหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเป็นช่วงสองสามสี่ชั่วโมงแต่แถนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก แต่ถ้าเราตั้งคำถามมันได้อะไรเดีย๋ยวเราสังเกตว่าคนนี้รอบรู้จังในเรื่องฟุตบอลนี่นะอธิบายได้ใครเตะยังไงยังไนคนนั้นชื่ออะไรโออธิบายได้หมดเก่งเก่งจังแต่ว่ามันมีความคุ้มค่าอะไรหรือเปล่าที่ไปรู้เรื่องของคนอื่นน่ะเรื่องตัวเองไม่รู้เรื่องพ่อแม่ไม่รู้เรื่องชาติบ้านเมืองไม่รู้เรื่องาศาสนาไม่รู้เนี่ย ถึ่มันเป็นวิถีชีวิตของเราอ่ะเพราะปัญหาตัวนี้ยมันต้องมีวิธีแต่ว่าสําหรับเยาวชนเนี่ยมันต้องเริ่มจะสะนามนะฮะเริ่มจากการให้ความรับความอบอุ่นความปลอดภัยความเชื่อมัน่นความผูกพันโดยเฉพาะยิ่งก็คือครอบครัวต้องอบอุ่นถ้าครอบครัวร้อนถ้าครอบครัวมีความรุนแรงแล้วเนี่ยเด็กก็ตะเลินแหละ วันที่ท่านบอกว่าแรงรักลรักวให้ปลูกรักลูกล ใ, หกลให้ตีโบราณก็เตือนเรื่องสระน้ําลูกเห่ากอภยัยเห็นไหมมีทั้งยกย่องแล้วก็มีทั้งตำหนิแล้วก็มีทั้งโอบกุ้มคุ้มครองเพราะสอนคนมันก็เหมือนกันเนี่ยฝึกคนมันก็เหมือนกันทำเฟอร์นิเจอร์มันก็เหมือนกันคือแนวสูตรเดียวกัน ในวนิฆะาานี่คือกำลาบสวดมากแล้วก็จะมาจากมนณนะเพราะชาติบ้างเพราะโคตรบ้างเพราะความรู้บ้างเพราะฐานะทางเศรษฐ ก, กิจบ้างฐานะทางสังคมบ้างอะไรต่างๆกนี้มานะเันเยะาะพอถ้าไปกำลาบก่อนมันก็เอาไมา่อยู่หรอกอีกแนวหนึ่งเนี่ยมันมีความพร้อมเขาเรียกกนอนุญาต ม, มุขเทศนา คือเป็นการจัดส่งเสริมส่งแสดงแก่คนที่มีจิตใจใสซื่อตรงใครต่อการศึกษามีความเคารพในการศึกษาจริงๆอาจจะส่งแสดง ร, รมในทานองที่ให้ความหวังปลุกปลอบให้กำลังใจกระตุ้นให้เกิดชันทะอุตสาหะซึ่งบางครั้งมันคนอยู่ในสภาพที่ว่าเวรวเดียวเดียวได้ ขาดที่พึ่งผับนักทางใจเนี่ยมันเหงาเศร้ามันซึมเศร้าลึกๆอะ่ะอย่างใ น, นก็นีของพระยสะที่เราคุ้นกันเนี่ยวันดีขึ้นดีเกิดมองเห็นสาวสารกำนันไหนเหมือนก็ซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้ามันก็หาทางออกแกตัวเองไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปไหน แล้วก็เดินบนหมยว่าที่นี้บุญไายหนอที่นี้ขัดข้องหนอที่นี้บุนไหวหนอที่นี้ขัดข้องหนอพระเจ้าก็ทรงให้ความหวังว่าปัญหาที่หนักอึ้งอยู่เนี่ยมันมันจะบรรเทาลงไปกระสังว่ายะสะ ท, ที่นี้ไม่วุ่นวายทีนี้ไม่ขัดข้องมาที่นี้เถิดนั่งลงเถิดเรจาจะแสดงธรรมแก่เธอพระทัดก็ได้ความหวังแล้วก็ค่อยๆเชื่อมัน่น เพราะไรเพราะว่ามันกระตุ้นจิตเนื่องจากอยู่ในที่มืดแล้วก็ชื่อยาศาสตรเนี่ยคือไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายแต่มีนักบวชท่านหนึ่งอายุก็ไม่มากเท่าไหร่สามสิบกพรรษาเท่านั้นเองเกิดทักได้ทั้งในที่มืดและรู้จักชื่อดยรู้จักความคิดด้วย เลยมันก็เกิดความทึ่งความสนใจแล้วก็จิจใจก็อ่อนโยนจากนั้นพรเจ้าก็ทรงสอนแล้วพอมาถึงพ่อเองจะมีลักษณะอย่างนี้นะพ่อมาถึงก็มากราบทูลถามว่ามาสำนะเห็นยะสักุลรบุรเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมพรเจ้ารับสั่งว่าท่านจะนั่งลงเถอดจะรอจะพบยสะกุลรุบุที่นี้แหละก็ให้ความหวัง แต่ว่าทําไมต้องใช้ช้รอยละ่ะคือถ้าท่านจิตไม่นิ่งเนี่ยเวลาแสดงทำไปพี่เจ้าก็รู้ว่ายาศาสตรนี่จะเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเศรษฐียังเป็นบุตุชนนี่จะพูดกันยากเขาก็ต้องเพื่อให้ความหวังพอท่านพอท่านตัดปริโพเทเรื่องยาศาะได้ความกังวลเรื่องยสะได้แล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าจะเจอยาศาะตรงเนี้ยก็ตัด ความกังวลออกไปก็พร้อมใจเจ็บฟังพระเจ้าก็ทรงเทศเจ้บฟังแล้วก็บรรลุมรกรุ่นเป็นพระสบดับันในขณะที่ยะได้บรรลุมรกรค่นเป็นพระหารันโดยรับสั่งแก่พระติดสัมเกิดท้อถอยบําเพ็ญเพียร ย, ยังไงก็ไม่บรรลุก็ไปคิดว่าตัวเองคงแย่แล้วคงเป็นพระภาคบุคคลไม่มีโอกาสที่จะสัตรุได้หรอก พุจะรับสั่งว่าติสสะเ อ, อ๋ยเธอจงยินดีรพระพุทธโมาจันย์ต่อไปเถอเราจะช่วยเหลือสั่งสอนให้ที่บางครั้งบางคราวพระเขาคิดกระสันจะสึกพระเวลากระสันจะสึกนี่เอาไมา่อยู่นะเคยถามพระพวกคนน่งถามว่าคิดยังไงตังสึกแกบอกมันแปลกตอน เที่ยงน่ยยังไปเทศอยู่เลยแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาถึงวัดเขาจะเข้าโบสถ์เพื่อทำพิธีปรณายงมันเกิดร้อนขึ้นมาจนหุ่มจีวรไม่ได้เขบอกว่าร้อนชอบกลไม่เคยร้อนอย่างนั้นเลยเงิดแตกเลยคิดจต่เดียวคือสึกตนเองอย่างอื่นแกไม่ได้ตัดสินใจสึกเลยคืนจะข้าพรรษาแท้ๆ อารมณเหล่านี้คนที่ไม่เคยเคยสึกมันก็พูดยา ก, ก น, นะเกิดอธิบายไม่ได้แต่ว่าคนที่มีประสบการณ์ที่เขาพบเห็นมาเนี่ยเขาเขาไพ่แพ้ต่ออารมณ์คนเราปอเริ่มมันหมดอะไรตายอยากแล้วเนี่ยอาการเซ็งก็เรียกอาการกะถีน้มิถาเนี่ยถึงยุดหนึ่งมันจะเซ็งมันจะหมดอะไรตาอยากพเพราระอารมณ์นี้ทําไม่ปลุกปลอบให้ความหวัง หรือกระตุน้นสัญชาติยานอะไรของเขาออกมาเนี่ยเอายากเนี่ยเพราะฉะนั้อย่างอย่างอย่งางพระบางรูปซึ่งซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ท่านท่านท่านมีความอาหังการอาังการไม่เอาไปใช้ได้นะใช้เป็นเนี่ยเราก็เดินในตองอูเหมือนกันนะกระตุ้นรู้สึกสมัยก่อนเนี่ยเราก็เดินในตองอูเหมือนกันตอนนั้นก็เก่งเรื่องผู้ชนะสิทธิ์ที่เก่งเราจะรับสั่งว่าภิกษุ เพื่อนเพื่อนที่บวชมาด้วยกันสามารถให้เพื่อนฝูงก็เรียกว่าพระโสดาบันบ้างสกิทาคาบ้างอนาคาบ้างอารหันบ้าง เ, เธอให้เพื่อนเขาเรียกว่าภิกษุปุกษษรริสันนี่ไม่อายเขาหละมันก็ฮึดสู้ขึ้นมานะกระตุน้นกระตุ้นมานะขึ้นมายัางตีเคยเล่าเรื่องกระตุ้นพระนันทะพระพุทธโนชาเนะี่ยกระตุ้นในแนวนี้แหละ เป็นการบุกปลอบให้ความหวังแต่วิธีเนี่ยมันก็ต่างกันกันและแต่แต่พระพระนันธานี่ใช้วิธีเยอะนะฮะทีนี้หลักการยกย่องเป็นเรื่องสำคัญว่ายกย่องเนี่ยมันต้องยกย่องคนที่ขุรยกย่องโดยอาศัยที่การกระทาของเขาว่าเป็นผู้มีการกระทาที่ขุรยกย่อง พระพุทธศาสนาเราเป็นกรรมวาทีแล้วก็เป็นวิริยะวาีคือจะยกย่องคนที่มีความหมั่นขยันในการทําดีเพราะความเพียรกับการกระทําเนี่ยมั น, ม, นมันต่อกันหมายความถ้าเราไม่มีความเพียรเราก็ไม่มีการกระทะําอำครึ่งกระทําก็ไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นทั้งกรรมวาทีและเป็นวิริยะวาี คือมีความเพียรพยายามในการป้องกันความชั่วในการละความชั่วในการเพิ่มพูนความดีและก็ในการรักษาความดีก็เขาควรยกย่องเพราะการกระทำของเขาตรงนี้สังคมโราขาดสังคมโราขาดเราเจะเห็นว่าคนดีถูกกีดกันถูกบันทอนถูกขัดขวางเพราะแรงฤทิษยาบ้างแรงแข็งดีบ้าง อย่างนี้เราพูดกันในสังคมไทยเนี่ยในยุคสุโขทัยเนี่ยค่าของคนเรียกคนดีมีศีลธรรมเธอจะเป็นอะไรมาก่อนไม่สําคัญมันเข้าถึงมุดมการพุทธนะฮะตรงเนี้ยคาว่าคนดีมีศีลธรรมเนี่ยเข้าถึงมุดมการพุทธเลยพระพุทธเรานั้นถือว่าคนจะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่ประชารัส ก, กุลเป็นคนประเสริฐก็ไม่ใช่ประชารัส ก, กุล แต่คนจะเป็นคนเลวก็เพราะการกระทาเป็นผู purpose, uh, ้ประเสริฐก็เพราะการกระทําัิอยางที่อนาถบินเนกเทพบุตรได้มากราบทูลพระพุทธเจ้าก็คุยเยอะนะมันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ท่านบอกว่ากามังวิชาจะทำโมจะสีลังชีวิตมุตตมังเอเตนะสตาสุชนตินะโคเตนะนาทเนดาวะหมายว่าคนจะเป็นผู้ประเสริฐเนี่ย มณไส่นึ่งก็คือกรรมสองก็คือวิชาสามก็คือธรรมะก็คือศีลแล้วก็ห้าชีวิติอุดมไม่ใช่เป็นผู้ประเส ร, ริฐเพราะชาติเพราะโคตรหรือเพราะทรัพย์แต่ประการใดไม่แต่ถ้าเราตัง้งปัญหาถามเวลานี้เราเข้าถึงอุดมการตรงนี้หรือเปล่าเราก็เข้าไม่ถึง คนรวยก็เป็นที่ยกย่องชื่นชมของคนที่หวังพึ่งบารมีของเขาเงินตราของเขาแล้วก็ตอนหวังพึ่งเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าเขาได้มาจากอะไรได้มาทางชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมเพราะคนนี้อย่างที่ท่านแสดงในความไม่ต่างกันว่านาสีเอาไว้เนี่ยคือพระหันท่านเข้าถึงแต่ว่าสามัญชนทั่วไปเนี่ยส่วนหนึ่งจะไม่เข้าถึงหรอกตรงนี้ วันณนใดก็ตามที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวันณะเดียวกันและวันหน้าอื่นก็จะเข้าเป็นพวกลูกน้องบริวารรับใช้กระชิดของวันหน้าเหล่านั้นผลาาการที่ที่ไปใช้ระดับผู้ดีมีสินธรรมเนี่ยมันแสดงมาเข้าถึงโรงการของพุทธแต่ถามปัจจุบันว่าเวลานี้เราเข้าถึงไหมก็มีคนเข้าถึงแต่ว่ามีคนส่วนหนึ่งยังไม่เข้าถึงเพราะฉะนั้นคนรวยที่โกงมาเนี่ยจึงอยู่ได้ แล้วอาจจะใหญ่โตมีตาแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตในชาติบ้านเมืองมีคนห้อมล้อมมีคนเรียกพระนะท่านอะไรก็เพ<ม>ิ่งมาไก่กองโลกมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอเราจะว่าในช่วงในช่วงหนึ่งไม่ได้แร้ธรรมดากษัตริย์โลกก็เป็นอย่างนั้นปนัญหาว่าคนเราต้องต้องเข้าถึงอุดมธรรมจริงๆแต่ไม่ใช่ไปตั้งข้อรังเกียร์อะไรเขานะฮะแต่เรามองในแง่ของกรรม โราทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมเราก็เบรกขาไม่ไปยินดียินได้เลยกับเขาในตั้งตัวเป็นศัตรูแล้วก็ไม่ได้ไปคลุกคลีเป็นมิสนิสนองอะไรกับเขาการวางตัวอย่างนี้ที่จริงแล้วเนี่ยแสดงว่าใจต้องต้องแน่มากพอมาถึงยุคหนึ่งเราเห็นว่าเราก็รักษาอดวงการพูดอยู่ได้ไม่นานในราชวงศ์มาถึงยุคสุโ ข, ขทัยก็แสดงว่า กรูสุโขทัยก็ผ่านมาไม่ถึงร้อยปีดีกเกิดสุโขทัยขึ้นมาก็มีแนวเป็นเทวสิทธิ์เป็นอวตารของพระนารายกับเป็นโอรสของสวรรค์เป็นการผสมผสาน ร, ระหว่างวัฒนธรรมของจีนกับอินเดียผลกษัตริย์ในยุคนั้นก็เป็นพระนารายนะฮะเป็นมนุษย์กึ่งเทพซึ่งสังคมยอมรับอย่างนี้มานานแล้ว เพราะั้นพวกวรรณกษัตริย์เนี่ยเาถือว่าเป็นสมมติเทพเป็นเทวดาโดยสมมตินะแม้แต่พวกประธานาธิบดีในประเทศต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างบิงกินตันเนี่ยตอนก็เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีอยู่สองสมัยเนี่ยลูกสาวของมันเจ้าหญิงนะคือต้องมีหน่วยบริการดูแลรักษา จะไปไหนก็มีคนคุ้มกันไปกันเป็นกระบวนแต่พอจบออกจากตำแหนง่งประธานาธิบดีก็เลิกไปเพราะแนวตัวเนี้ยเป็นหลักการสำคัญในพระศาสนาทังความคคงเคยสังเกตในหน้าแรกของหนวงสุพิม์สยามรัฐนเนี่ยคือคุณชายคฤทตอนนั้นเขาบวชอยู่ที่วัดเนี่ย แล้วก็สึกไปถึงก็คิดเรื่องการออกทังสอพิมพ์ ส, มสยามรัฐแล้วก็จำเอาคาคาถาพุทธภาษิตที่พระเจ้ารับสั่งสแสดงแก่พระนุนว่น า, า, น า, ห า, หานีไกหะนีไกฮหาังอานนดาวั ค, คามิปไกะปไกฮ้านวษษษษษษษัคามิโยาโรโสตตติทุกคน อ, นอนนันดนรอจั ก, กระนาบแล้วกระนาบอีก ใครมีสาระก็ตั้งอยู่ได้ใครไม่มีสาระก็ออกไปแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันสรุปว่าเป็นการกำราบหรือข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องโดยอาศัยกรรมคือการกระทําของเขาเป็นเกณฑ์ในการตําหนิหรือในการยกย่องนี่เราจะเห็นว่าในพุท ธ, ธาทีบายที่ส่งอธิบายเนี่ย ดุกอนอุโสเราไม่หยุดไม่พยายามจึงข้ามโอคาได้เป็นการพูดถึงในช่วงที่รงข้ามโอคาได้แล้วเพราะคำถามเนี่ยเขาถามมารงข้ามโอคาได้ยังไงถามมาข้ามมาเสร็จแล้วนะแต่ว่ามาได้ยังไงเพรา ะ, ะมันก็เหมือนกับ ก, การไปบัติพัฒนาจิตเนี่ย เราเห็นว่าถ้าเราไม่ถึงเมื่อเมื่อก็เราเดินทางคือถ้าเราไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราหยุดในระหว่างก็ชื่อวไม่ถึงแต่ถึงแล้วเราก็ขับรถเลยไปก็ชื่อไม่ถึงเหมือนกันคือเลยไปเพราะมาต้องถึงจุดแล้วพอถึงก็ต้องต้องหยุดแล้วก็ไม่พยายามไปต่อคือถ้าเราดูให้ดีลักษณะของการมาเนี่ย มันคล้ายๆกับตัวน็อตอะนะฮะตัวน็อตที่เราใส่เข้าไปในในช่องที่เขาเจาะเอาไว้เนี่ยมันต้องพอดีอะตัวนิดถึงก็ใส่ไม่ได้อะเล็กไปหน่อยก็หลวมละมันจะต้องพอดีบาลีเขาเรียกว่ า, ากรรมริยะคือใช้งานได้เกินไปก็ไม่ดีนะไม่ถึงก็ไม่ดีเหมือนกัน พระรับสังว่าไม่หยุดคือการทำความเพียรพยายามเพื่อข้ามสังสารทุกนั้นบุคคลจะหยุดความเพียรในขณะที่ยังไม่ถึงเนี่ยไม่ได้ขึ้นหยุดในขณะที่ยังไม่ถึงฝั่งคือปณิพานก็ต้องจมลงในห้วงสังสารวัฏต่อไป แน่นอนว่าคนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยคนอย่างพระอาหารหันต์ประเภทปชิมะผูอวิกษัตร์ยยังไงก็ต้องบรรลุแหละแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความพยายามประการต่อไปก็คือไม่พยายามหมายความว่าการไม่พยายามสร้างเหตุที่ให้หมุนกลับไปสู่วงล้อแห่งวัฏจักรอีก แต่ว่าการตามความจริงเนี่ยนี่มันเป็นภาษาสมมตินะฮะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้พยายามที่จะเข้าสู่กระแสสังสารวัตรหรอกเพราะว่าดับกิเลสได้แล้วเพราะถ้าพยายามต่อไปสมมตินะฮะสมมุติว่าพยายามต่อไปก็ต้องถือว่าสมมุตินะมันก็ต้องหมุนวนในสังสารวัตรอีกประเด็นตรงนี้ที่จริงไม่ใช่ธรรมดานะฮะคถ้าเราไปศึกษาลทัทธินิกายต่างๆเนี่ย พิการสรวาสติวัชินเนี่ยก็ถือว่าพระพุทธเจ้าในเสื่อมได้พรภาหันเนี่ยหมายความมากลับกลายมาเป็นปุถุชนได้ผมก็นําไปสู่ความคิดของเรื่อ ง, องเอาลุ่ยตศวนจะไม่ควรอิ่มอะไรตไร่างๆในการแพหลังเนี่ยผลความขัดแย้งในเรื่องนี้มันมีมาตลอดะบนเส้นทางประวัติศาสตร์หรคมคิดแบบธรรมกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ มันมีมันตัง้งแพรห ม, มันเนี่ยก็มายัางยังนึกอยู่ว่าเราก็พูดเลยเขาไม่ได้เราเปลี่ยนหน่อยได้ไหมว่าอย่าเรียกอายาตารานิพานธ์ใช้คำอื่นเสียอย่าเอาไปเรียกคือเส้นทางเนี่ยพบชาติต่า ง, างสามติเวภูมิเนี่ยสามเดียชั้นเนี่ยนะ ก็เราสามารถมีสิทธิ์จะเลือกกันคุณเลือกเอาอย่างไรเพราะว่าศาสนาแสดงแต่นั่นเองเราแสดงทางให้เห็นว่านี่คือทางอบายนะนี่คือนรกนะันี่คือเปรตนีน้่คือสัตว์ติรจชานีคืออสุรกายนี่คือมนุษย์นี่คือเทวดาชันนั้นฉันนี้ชันนี้ก็ว่าไปแล้วก็แสดงถึงเหตุที่ให้ไปบังเกิดในสถานที่นั้นคุณสมัครใจจะไปอยู่เป็นพรมอยู่ชั่วนิรันดร์ นิรันดรสหรับพรห ม, มนะก็เอาไปจีแต่คุณอย่าไปเรีย ก, กว่านิพานเพราะถ้านิพานแล้วมันก็กรอกความกรรมนิพานมันก็เสียเรื่องหมดคำเหล่านี้จริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่หรอกคือในพระบาลีพระเจ้าก็ทรงใช้นะฮะเช่นในธรรมคุณเนี่ยธรรมคุณสันทิติกังนิบานางังอากาลิกังนิบานางังเอหิปัสสิกังนิบานางังปัจจตังวิฏฐะังวิญญาณังโอเป็นนิจิกังนิบานางัง หมายความว่าเป็นนิพพานเห็นได้ในขณะขณะขณะคือดับกิเลสในขณะขณะขณะก็ถือว่านิพพานในแต่ละขณะแต่ว่ามันต้องคําอื่นเพิ่มคืออาใส่ใส่คําอื่นเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันชัดเจนว่าที่หมายเนี่ยไม่ได้หมายอย่างนั้นนะถ้าหมายอย่างนั้นเขาเรียกนิพพานเลยหรือว่าเรียกประนิพพานถ้าว่าตายเนี่ยเขาเรียกประนิพพานถ้าว่าบรรลุเนี่ยเขาเรียกนิพพานเพื่อเอ็นความแตกต่าง เรืนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่น่าน่าเสียดายน่าห่วงมันก่อนในเจอผู้ใหญ่ในช่องสามก็คุ้นกันคุณอุดมจโนโภาสบอกว่าไปชื่อบอกพวกช่องสามหน่อยเถอะคืออย่าไปเรียกอะไรพระอรหันต์พระอาหา ร, ระอาหันต์อาหารหันต์ทั้งสามอรหันต์ทั้งห้าไอ้แน่ก็ต่อเนี่ยอรหันต์ห้าอะไรตระอรหันต์สิบเจ็ดอะไรก็คือมัน มันขาดความเคารพอะแล้ววันนี้ก็ไปเรียกอะไรสาวกสาวกของแฟนบอล น, นังหลายนี่สาวกคือแกไม่ไม่เข้าใจเรายร้เดียงสาจริงจริงและโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยคือควรจะอ่านแต่บ้างและอย่าไปตามแฟชั่นก็มากเกินไปบรรบากรรมคือสาวกเนี่ยเขาใช้เรียกได้เฉพาะที่คนซุ่มควัางแย่งองศ า, าสดาเท่านั้นในวงการของพระเนี่ยเขาไม่ใช้นะฮะ พระสาวกอง์สุดท้ายก็คือท่านสุภัททะเขาเรียกปัชิมสาวกมันมีปฐมสาวกกับปชิมสาวกเรามันหลุดวงจร อ, อ, อกมาแล้วก็เป็นภิกษุแล้วก็เป็นสมณะเราก็เป็นบนรรพชิตแต่ไม่เรีย ก, กว่าสาวกเรียกว่าส ม, มุติสงฆ์เพราะว่าถ้าเรียกถ้าเรียกสงฆ์เนี่ยเก็เรียกได้แต่ว่าถ้าต้องการให้แตกต่างก็เรียกส ม, มุติสงฆ์ผสมจริงจริงที่เข้าข่ายของ สังครัตนะจริงๆเนี่ยต้องเป็นประโรดบันขึ้นไปพันอยังพระัญญาโกฏัญญาณเนี่ย เ, เรียกท่านว่าเป็นสังคราตนะองค์แรกที่มันเกิดขึ้นในโลกได้เพราะว่าท่านเป็นประโรดบันฝันข้อความเนี่ยสําคัญนะมันมีความละเมิดละไมคื อ, อยังนึกวันก่อ น, อนเนี่ยมีรู้สึกว่าผู้บัญชาการตํารวจเขาพูดถึงว่าตอนผู้บัญชาการทหารเรือเขอพูดถึงว่าจะส่ง อ่านเตรียมพร้อมแล้วฝึกไว้พร้อมแล้วอพูดภาษาญีวีได้ก็เอ้ยภาษาที่จะสื่อสารระดับท้องถิ่นอย่างนั้นนะ่ะมันไม่ใช่วันสงวันพูดแบบขอข้าวกินนะได้แต่ว่าอย่าลืมว่าอันนี้มันเรื่องปอจวบแล้วมันเรื่องระดับปฏิบัติการจิตวิวาต้องเข้าถึงต้องเข้าใจต้องใจถึงต้องมือถึงนะเพราะงั้นมันต้องพบกันครึ่งทางเนี่ยทิว่าเนี่ย หมายความว่าเขาเองก็ต้องเรียนภาษาไทยเพราะคุณคุณก็เป็นคนไทยแล้วคุณก็เรียนภาษาญาวีไปเพื่อประสื่อสารกันในหมู่พวกของคุณเพื่อจะอ่านคำพีแต่ในฐานะที่คุณเป็นเป็นคนไทยเนี่ยคุณก็ต้องเรียนภาษาไทยอะ่ะเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลบอกว่าให้ข้าราชการในพูดยาวีกับเขาแล้วเขาโตที่นั้นนะ่ทำไมไม่พูดภาษาไทยอะ่ะ เขามีเขาอยู่ตรงนั้นมันมาก่อนข้าราชการข้าราชการก็เพิ่งไปอะ่ะทําไมคุณไม่เรียนเลยล่ะแล้วุณเรียนควบคู่มาโดยการมันก็ปัญหาก็ไม่มีอะไรก็มไม่เข้าใจเพราะว่าคุณไม่เข้าใจแล้วคุณจะเกณฑ์ให้คนข้าราชการเดี๋ยวเขาหมุนเวียนไปเนี่ยแล้วไปเข้าใจภาษาเนี่ยมันไม่ได้แร้วภา ษ, าษาธรรมดาถามไปไหนมานี่กินข้าวแล้อยังอะไรเราเขพูดกันได้เดี๋ยวภาษาลึกๆคนพูดไม่ได้ แต่นี้มันสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่ร่วมกันนานๆเรานไปอินเดียเราก็พูดได้ไม่กี่คำพูดภาษามือซะบ้างภาษาอังกฤษบ้างภาษาฮินดีบ้างก็แล้วแต่นึกอะไรก็พูดไปนะมันก็พูดไปไหนมาไปกินข้ากินพรายนี่ของเข้าวไาารฮาวมัดอะไรทั้งนี้คเพกกื่ยคเพื่อนก็เล็กๆน้อยๆก็พูดได้าการจะสื่อสารเข้าถึงภาษาเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแล้วก็แม้แต่ภาษาอังกฤษ เรานักการทูเนี่เก่งเนี่ยไปอยู่ประเทศต่างประเทศนานๆเนี่ยมาพูดภาษาธรรมะโดยโเฉพาแกก็เข้าไม่ถึงอ่คือภาษาไทยบางทีเราก็เข้าไม่ถึงภาษาชาวบ้านก็พูดเนี่ยไอยเราไม่เคยได้ยินก็ะเพราะเราอยู่ภายในวัดอ่ะมีคนเขาเล่าบ่าหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิสกุลตอนที่เกิดเรื่อง16ตุลาเนี่ย เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ า, าคนจมเลยท่านหญิงคืตท่านหิงท่านไม่เคยได้ยินเขามาจมเลยหนะมายความว่าไงคืท่านรู้ว่าจมน้ำํำเรียกคนให้ีไปช่วยอันนี้บอกว่าคนจมนี่คือคนมากแต่วผู้ฟังเนี่ยคนจมคือคนจมน้ำํำอันนี้คือพูดกันภาษาเนี่ยมันไม่ใช่ไง เพราะฉะนั้นคำเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันต้องอธิบายอ่ะใช่ไว่านิ่งๆจะสื่อสารกันได้ไง่ายๆเดยวนี้ปัญหาใหญ่ที่เราพูดกันไม่ค่อยเข้าใจเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเราเรียนกันมาคนละเรื่องรับรู้กันมาคนละเรื่องแล้วก็ไม่พยายามเข้าใจกันแม้แต่คําคว่าศึกษาอย่าเงี้ยฮะถามมัคคุศึกษาที่การเนี่ยเขาเข้าใจคำว่าศึกษาขนาดไหน ก็ศึกษาไปคำจากบาลีนะฮะเป็นภาษาอกฤษเพราะความหมายคำว่าศึกษากับความหมายที่เราใช้ศึกษาคำว่าวิชาที่เราใช้คำว่าวิชาเนี่ยแม้แต่คำว่าปัญญาที่เราใช้คำว่าปัญญาเนี่ยที่จริงมันไม่ความหมายไม่เหมือนกันนะคําว่าศึกษาในพระพุทธศาสนาเนี่ยราคาต้องลดโลภะต้องลดโทสะต้องลดโมหะต้องลด คนที่มีการอกษาสูงในพุทธเนยต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนมองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาใจมันจะอ่อนฮนะใจจะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะะใจอ่อนโยนแล้วก็กริยาการจะอ่อนน้อมวาจาจะอ่อนหวานนั่นแสดงใ น, นการสงบระ ง, งับของกิเลสภายในใจราคากรคลายลงโทรพาก็คลายล ง, โ, กกลยลงโทสะก็คลายลงโมหะก็คลายลง มันก็ยังตกใจนะฮะแล้วเคยคุยกับศาลบอกพวกกันบอกว่าตอนนี้เราเป็นห่วงนะเราเป็นห่วงวิกฤตตุละการนะ่เพราะอะไรเพราะว่าเลขหาอธิการหรือเลขานุการเนี่ยของของสารนิกาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับอะไรเลขานุการอายการสูงสุดที่ให้สัมภาษณ์รังกอเรื่องพักการเมืองนะอ่ะเรสัมภาษณ์อย่างนั้นไม่ได้่ คุณพูดเหมือนกับคุณเป็นคู่กรณีกับเขาอ่ะคุณต้องพูดในผูในฐานะผู้พิทักษ์ความถูกต้องทำไมคุณมาคล้ายๆกับอาฆาตมาร้ายนะเกิดแล้วกาาแก้แค้นนะเกิดแล้วเ น, ลเน้นคำหน้าตาก็ไปคำก็ไปอย่างนี้เป็นห่วงอันนี้เออบ้านเมืองเราจะไปยังไงก็ไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นไลย น, นี่คือคื อ, ค, อคือภาษา เราจะลืมนะฮะวาสามันเป็นสะท้อนความรู้สึกนึกคิดและคนฟังเนี่ยเขาฟังออกว่ามันไม่ใช่ภาษาทางราชการที่จะถแถลงข่าวธรรมดาแต่พูดถึงฝ่ายตรงกันข้ามแล้วก็มีลักษณะของความอาคตามารายมันเหมือนกับพักฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคษกพักที่พูดถึงรัฐบาลแต่ละคราวเนี่ยโอ้โหดุเดือดยกัน แล้วก็มีกรรมการมหารพักคนหนึ่งก็ชอบพูดดูเดือดมากนี่คือปัญหาแล้วในสุดมันคล้ายๆกับแทนที่เราจะมาปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบชาติบันเมืองด้วยกันเนี่ยก็มาต่อสู้กันสแสดงว่าระบบประชาธิปไตยมันใช้ไม่ได้เพราะสร้างความแตแกแยกขึ้นมาในบ้านเมืองและแม้แต่รัฐธรรมนูญที่เขียนเนี่ย พรกการเมืองเป็นสถาบันนะเป็นสถาบันอ่ะมันเป็นพรกอ่ะมันเป็นองคอ์กรอ่ะเหมือนเหมือนกัวัดเน่ยวัดสมมุาพระกอทําผิดแล้วก็จับพระสึกหมดทั้งวัดยังไงเขียนขึ้นมาได้ไงแล้วตำรวจยังไงกฎหมายยังไงเขียนขึ้นมาได้ไงแล้วคนทําผิดประยุกต์พรักพร ก, กประยุทธ์ได้ไงก็เราลองเรานึกดูเถอะฮะ สมมุติว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำผิดแล้วก็ยุบตำรวจไปเลยสนัก ง, งานตำรวจแห่งชาติไปเลยเอาอย่างนั้นแหะคือไม่ได้อ่ะสถาบันไม่เกี่ยวเลยไปทำกับสถาบันไม่ได้เขียนั้นมาได้ยังไงยังสงสัยอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบไปดูกันเพราะตอนนั้นมันก็คลั่งประชาธิปไตยกันเยอะใช้กระแสสังคมเยอะนาะยกทองเขียวทงเหลืองอะไรกันบุ่นไปหมดเลยบ้านเมือง ต, ตอนนี้ก็ออกฤทธิ์แล้วอย่างนี้ยังไม่ออกฤทธิ์ทางศาสนานะฮะมาตราเจ็ดสิบสามกับผกสาสิบแปดออกฤทธิ์วันไหนแล้วก็าศาสนาก็ยุ่งเหมือนกันนะนี่คือคือคือภาษาที่ใช้ภาษานี่มันสำคัญมากคำคำเดียวเนะี่ยมันยุ่งนะ อย่ามาจาริษานี่แลคำว่ า, าศาสนาบัญญัติคำเดียวนียุ่งเลยนะแต่เกิดแท้เต็มที่กันมาวันไหนแล้วศาสนาพูทนี่ตายแ น, น่นี่คือปัญหาที่น่าคิดน่าเป็นห่วงทีนี้ประเด็นตรงนี้ที่พระุทเจ้ารับสั่งว่าลูก่อนอนุสเราไม่หยุดไม่พยายามข้าโมออาะได้เนี่ยเจะพาพระมติของพระตถาจารย์ท่านบอกว่าหยุดก็ชื่อว่าหยุดอยู่ด้วยสัสธทิฏฐิ หมายความว่าอะไรหมายความว่าสะตะตาทิฏฐิเมื่อถือถือตัวเองว่าเชี่ยงเนี่ยมันจะไม่กระตือรุ น, รนไม่ใจไม่พยายามก็ถือว่าคนเราตายจากอะไรก็เกิดไปอย่างนั้นพยายามไปก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแกก็ไม่พยายามอ่ะมันก็เหมือนกับคนที่บอกว่าจะรวยอ่ะคุณมี่จะรวยและแกเชื่อว่าแกจะรวยโดยไม่ต้องไม่ได้บอกว่าถ้าทํำมาหากินขยันประกอบอาชีพอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้ น, นประกอบอาชีพถูกทางจะรวย จะบอกจะรวยเฉยๆเนี่ยแกก็รอเชื่อโหรศาสตร์หรือพยายามด้วยแรงเชื่อจมพยายามด้วยแรงผลักดันของอุเฉทิจิเชื่อวเลยไปอุเฉติจินี้ถือว่ามันสับปะสิมขาดสูญหมดคนเราก็ตายแล้วก็จบอยู่ที่เชิงตะกอนชีวิตในกองที่เท่าเป็นที่สุดเพราะงั้นพวกนี้จะไม่กระตือรือร้นที่จะใช้ความเพียรพยาวยามหรือว่าแนวหนึ่งก็คือ หยุดอยูย่ยที่การมรจุการรายการโยกอันนี้ก็เหนี่ยวรังให้ติดอยู่ในกระแสของสังสารวัตรพยายามก็คือพยายามที่สูดเปล่าคือแนวทรมานร่างกายเนี่ยเป็นความพยายามที่สูดเปล่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ทิ้งเรื่องเหล่า น, นี้มาทั้งสองอย่างคําสรุปจึงมาบอกที่ว่าไม่พยาพยามก็ไม่ถึงพยายามก็ไม่ถึง ช่วงที่ยังไม่ถึงถ้ายังไม่พยายามก็ยังไม่ถึงเชื่อมที่ถึงแล้วถ้าไปพยายามก็จะเลยไปก็ค่อนข้างเป็นปริศนาหรืออย่างที่บอกท่านผู้ฟังไว้นะครว่าวันนี้ทํารายการวันนี้เป็นวันที่28มิถุนายนแต่ข่าวๆที่เรื่องประสานกันไว้เรื่อง การสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานั้นก็ยังไม่ทราบทิศทางนะครับขอเล่าเรื่องศูนย์ส่งเสริมศาสนาอีกวันก่อนได้พูดถึงตัววัตถุประสงค์ก็มีญาติโยมที่เขาได้ข่าวตอนนี้ก็ทยอยมาบริจาคกัลเล็กกน้อยตามกําลังศรัทธา น, นะครับบางทีเราก็ชื่นใจที่เขา มันก่อนเนี่ยมาทั้งเด็กรุ่นหนุ่มสาวมากันแปดคนมาจากจังหวัดราชบุรีเขาบอกว่าเขาฟังรายการธรรมะก็อยากจะม า, าถามธรรมะแต่ว่าพอดีเวลาแม่รวยให้เขาก็ฝากเอาไว้แล้วขอให้ใช้ตอบออกรายการธรรมะ ต, ต่อมาก็มี ผู้หญิงคนหนึ่งก็อายุมากแล้วปรากฏว่าเป็นชาวราชบุรีเหมือนกันมาต้องการจะบริจาคสมทบการสร้างศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่เราพยายามนะฮะพยายามกันแต่ว่ากากลายเป็นงานใหญ่แล้วก็กรรมการที่ทุ่มเทจริงๆเนี่ยก็มีไม่มาก ส่วนมากก็มาพบกันเฉพาะตอนประชุมแต่การงานที่ทําต่อเนื่องเนี่ยที่จึงมาเป็นคนทํางานทุกวันนี่ยนะฮะตั้งต่ยี่สิบกว่าปีมาแล้วก็ทํางานศูนย์อยู่ทุกวันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สองสามคนนอกจากนั้นก็นานๆจะเจอแล้วก็งานจะไปชุกตอนแถวโน้นแถวมิสาขาบูชาก่อนวิสากะบูชาหลังวิสาขาบูชาเนี่ยจะไปชุกตอนนั้น แต่ว่างานในด้านการเผยแผ่อย่างรายการนี้ก็ที่จริงก็เผยแผ่ในนามของมหาวิทราลสยประปฐุมซึ่งผลเอกเสรีจก็ เ, เปิดโอกาสนะคราว่าจะประรบอะไรขกินมาก็ได้แล้วก็สนับสนุนให้บอกกล่าวแก่ท่านเสาชุนทั้งหลายในเรื่องการสร้างสูตรเนี่ยก็ ถ้าเรามีอาคารขึ้นมาสักหลังถึงแม้จะไม่ครบสามเฟสอย่างที่พรเอกเสิรีท่านออกแบบไว้แต่อีสองเฟสก็ยังามายังยังรูง้ไม่ออกอาก่าเกี่ยวเอ็นเฟสแรกก็เราจะสามารถทำงานเคลื่อนไหวได้คือปัญหาที่น่าห่วงไม่ได้หรือปัญหาย่อยสุดเกี่ยวกับการ อ่อนไหวไปตามกระแสของสื่อต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะออยิ่งก็คือการก่อการทะเลาะวิวาทการเสพยาเสพติดแล้วก็มีปัญหาเรื่องเพศแรงมากแล้วก็นำไปสู่ปัญหาโรคเอดโรคเอดพันใหม่ก็มังมาด้วยเพราะถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยมันจะลำบากเราอย่าลืมว่าเวเนียจากตัวเลขในที่ต่างๆ แสดงว่าไอ้ประสิทธิภาพของสมองของจิตใจของคนทางเอเชียเนี่ยมันเกี่ยวกับอาหารบ้างเกี่ยวอากาศบ้างเกี่ยวกับอะไ ร, ต, ะรต่างๆบ้างมันอ่อนด้อยลงไปคือข้อที่น่าสังเกตว่าอย่างงี้อย่างฟุตบอลเนี่ยคือเด็กมันรุ่นเดียวกันนะแะทําไมคนไทยเราจะไม่สู้ต่างชาติเข้าไม่ได้จะถือว่าตัวเล็กและทางแอฟริกาเขาไม่ได้ตัวอะไร ไอ้ทำไมก็สู้ได้เขาก็สามารถเข้าไปถึงตรงนั้นได้ก็เด็กก็โตมาด้วยกันเนี่ยนะฮะไม่ใช่คนคือไม่ใช่เรียนมาก่อนเกิดแต่ก็แน่นอนแหละคือถ้าต่อยมือไทยกับรังก็สู้คนไทยไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่สรุปว่าเป็นเรื่องน่าคิดเนะี่ยว่าระดับของสมองระดับความคิดระดับไหวพริบปฏิภาณอนะไรต่าง่ เป็นเรื่องจะต้องส่งเสริมพัฒนาถ้าไม่งั้นเนี่ยคนไทยจะหิ้วกระเป๋าตามนายฝรั่งนายญี่ปุ่นนายเกาหลีนายไต้หวันเนี่ยนะมันเป็นความอับยศอดสูอย่างยิ่งสำหรับชนชาติไทยที่แม้ในประเทศของตัวเองเนี่ยฮะต้องไปเป็นลูกจ้างของคนต่างชาติแล้วก็แผ่นดินมีจังขายคนต่างชาติก็เลย ทัองฟังทังหลายสิ่งทมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี